เตรียมเสเบียงไว้เลี้ยงตัวตอนที่134โดยดังปรินถามการแรกคู่นอนแบบสวิงกิ้งที่ต่างก็สมยอมด้วยกันทุกฝ่ายแถมมีความสนุกกับสมบัติผลัดกันชมอีกอย่างนี้ถือว่าผิดศีลไหมครับตอบเรื่องของศีลข้อ2ซึ่งว่าด้วยการลักขโมยและศีลข้อ3ซึ่งว่าด้วยการที่ผิดนั้น ตัวชี้ขาดว่าผิดหรือไม่ผิดคือสิทธ์ครับอย่างเช่นเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยพิมพ์ธนาบัตรมูลค่า 1,000 บาทออกมาใบหนึ่งสิทธ์นั้นยังไม่เป็นของใครยังเป็นของกลางต่อเมื่อธนาบัตรใบนั้นตกมาอยู่ในมือของคุณโดยชอบธรรมสิทธ์ก็เป็นของคุณทันทีหากคุณยินยอมโดยวาจาหรือแม้โดยการส่งภาษากายด้วยการพยักหน้ายกสิทธ์ให้คนอื่น ก็เป็นอันว่าไม่มีใครผิดศีลข้อสองแต่แบง์พันเดียวกันนั่นเองคุณยินยอมยกให้ตกไปอยู่ในมือคนอื่นเหมือนกันแต่มีเงื่อนไขว่าให้ชั่วคราวคือตกลงกันว่าพรุ่งนี้ต้องคืนเมื่อถึงเวลาก็มาคืนตามข้อตกลงดังนี้ไม่ถือว่ามีการผิดศีลข้อสองแต่ธรรมดามนุษย์ขี้โลภอาจกลับไปกลับมาได้เสมอวันต่อมาเขาอาจเห็นว่า เคยเอาแบงค์พันมาครองก็ไม่เห็นจะมีใครเดือดร้อนถ้าจะเอามาอีกโดยไม่ให้คุณรู้ก็ไม่แปลกแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนอีกเมื่อลงมือทําโดยไม่ขออนุญาตในรอบนี้ก็ถือว่าเขาทาผิดสินข้อสองแล้วเพราะคุณไม่ได้อนุญาตยกตัวอย่างข้างต้นมาเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆก่อนครับว่าผิดหรือไม่ผิดนั้นขึ้นอยู่กับการตกลงกันในเบื้องต้นเป็นสาคัญว่าจะให้สิทธิแก่กันเพียงใด และมีการผิดสัญญากันในภายหลังหรือไม่คู่สวิงกิ้งนั้นถ้าดูกันตามข้อตกลงว่าจะให้สิทธิ์ใช้เนื้อหนังของคู่ตนเพื่อการเสพสมอภิรมแล้วลก็ต้องบอกว่าไม่มีใครทำผิดสินข้อสามแต่อย่างใดเพราะไม่ได้ลักกินขโมยกินให้ต้องเกิดความรู้สึกผิดทราบแน่ว่าไม่มีผู้ใดต้องบาดใจหลังประกอบการกิจเสร็จสิ้นอย่างไรก็ตาม การแลกคู่สวิงกิ้งที่ดูเผลอเหมือนไม่มีปัญหาอะไรๆง่ายไปหมดเพราะทุกฝ่ายเปิดไฟเขียวไม่มีใครเสียเปรียบใครความจริงแล้วในทางปฏิบัติมักเกิดปัญหาภายหลังเพราะใจคนกลับไปกลับมาวันนี้ไม่หวงเพราะได้คู่ของอีกฝ่ายมาสนุกกันเป็นการแลกเปลี่ยนแต่พอสนุกเสร็จก็พบว่าคู่เดิมของตนดีกว่าตั้งเยอะไม่คุ้มเลย ไม่น่าเอาไปแลกกับอีกฝ่ายให้เสียราคาเลยอย่างนี้ก็ต้องหวงขึ้นมาวันหลังอย่าหวังมาขอแลกอีกแต่การอาจไม่ง่ายเช่นนั้นเพราะคนเรามีชีวิตไม่ใช่วัตถุถ้าคู่ของคุณเกิดติดใจคุณห้ามแล้วไม่ฟังยังลักลอบปฏิบัติการบาดอารมณ์เยี่ยงวัวเคยขาม้าเคยขี่อันนี้ถือว่าการลักลอบเป็นชู้เกิดขึ้นแล้วศีลข้อสถูกละเมิดแล้ว โดยมีตัวคุณเป็นฝ่ายเปิดประตูอั บ, บายให้เขาหรือเธอเองกับมือวัตถุทางเพศอันได้แก่เนื้อหนังมังสาของมนุษย์นี้ไม่ใช่เพียงของแข็งเหมือนวัตถุธรรมดาคือเป็นวัตถุที่มีวิญญาณครองวิธีที่วัตถุทางเพศจะแปดเปื้อนนั้นหาใช่ด้วยรอยฟกช้ำดำเขียวที่ปรากฏทางผิวเนื้อแต่ความบอบช้ำจะปรากฏทางวิญญาณเห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่า แต่อาจสัมผัสได้ด้วยใจถ้ารู้จักผู้หญิงสักคนที่เปลี่ยนไปก็ขอให้ลองเปรียบเทียบดูเถิดตอนหวงเนื้อหวงตัวเป็นอย่างไรตอนปล่อยเนื้อปล่อยตัวแตกต่างไปแค่ไหนวัตถุทางเพศที่ช้ำแล้วจะไม่น่าแตะต้องเหมือนของไร้ราคาที่ไม่น่าสัมผัสเท่าของมีราคาเลยคุณอาจเถียงว่าบางรายแรกคู่กันแล้วไม่มีปัญหาทุกฝ่ายสุขสม อันนั้นผมคงไม่มีข้อขัดแย้งถ้าทุกอย่างราบเรื่อนจริงก็เป็นเรื่องส่วนตัวของชนกลุ่มน้อยที่ไม่รังเกียจการแลกปปลงสีฟันใช้กันแต่หากสนใจพอจะมองลึกเข้าไปในเรื่องของจิตเราควรสืบให้ลึกลงไปว่าทำไมคนเราถึงควรมีคู่นอนเป็นตัวเป็นตนเพียงคนเดียวควรจะไม่มีทางรู้เหตุผลผ่านการพิจารณาร่างกายฝ่ายเดียวแต่ต้องดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจเป็นส่วนประกอบสาคัญด้วย การมีคู่นอนแน่ชัดเพียงคนเดียวจะทําให้มนุษย์คนหนึ่งมีใจเดียวแต่เมื่อใดปั่นกายให้หลายคนธรรมชาติกลามอันเป็นของต่ําย่อมครอบงำให้ใจหลงสําคัญผิดไปต่างๆนานาในที่สุดอาจเผยเห็นไปว่าการละเมิดสิทธิ์ทางเพศเป็นเรื่องทํากันได้ไม่น่าจะถือสาอะไรมากมายการปั่นกายให้หลายคนถือเป็นรากสําคัญของความเป็นคนหลายใจ นำไปสู่รสนิยมทางเพศแบบหลากหลาย<ๆ>เบื่อง่ายอยากลองของใหม่ไปเรื่อยตอนแรกไม่ผิดศีลแต่ตอนหลังอาจผิดได้แบบสุดจะกูกลับเพราะฉะนั้นไม่เปิดทางเสียตั้งแต่แรกถือเป็นนโยบายอันเยี่ยมช่วยประกันว่าคุณจะไม่พลัดลงสู่ทางเสื่อมหรือกระทั่งหุบเหวแห่งความหายนะได้อย่างดีครับ ให้ยิ้มได้สู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไป